แลกเปลี่ยนก็เร็วๆนี้มีผู้ปฏิบัติตอนกลับเขาก็เขียนให้ข้อคิดเนื่องจากว่ามีช่วงเวลาสั้นๆทุกคนไม่มีเวลาไม่มีเวลากว่าจะจัดเวลามาได้ไม่ใช่ง่ายเขาต้องการใช้เวลานั้นให้เต็มที่แต่เหมือนช่วงหลังพักครูก็ไม่ค่อยว่างกันมีงานเยอะแยะก็ต้าให้ข้อคิดว่าน่าจะมี เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ปฏิบัตินานมาแล้วทุกคนเจอปัญหาอะไรบ้างจริงๆแล้วเรามีหนังสือเล่มหนึ่งก็คือได้อะไรจากศูนย์บาลานคอยนะแก้วทิบก็เากำลังจะรวบรวมอยู่ของใหม่ก็เป็นปัญหาที่เราเจอมาก็เหมือนปัญหาเก่าๆนะปัญหาที่เราเจอมันก็อยู่ในนิวรณ์ห้าทั้งนั้นแหละผู้เจ้าบอกไว้แล้วสองพันกว่าปี ทีนี้นิวรห้าเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากกรรมที่เราฝึกให้เราเป็นคนมีนิสัยจหวาชอบคิดคนชอบคิดคิดวิเคราะห์เรียนวิทยาศาสตร์เราก็มีกิเลสในเรื่องอยากหาคำตอบไอ้ตัวอยากหาคำตอบอยากนี่คือที่มาของทุกมันก็สร้างนิวรณมาทำให้เราลังเลสงสัยนะพอทำไม่ได้เอ๊ะคนอื่นเขาทำได้แล้วเรายังไม่ได้ทำใหม่ พอทําเข้าไปในจิตได้แล้วเอ๊ะมั น, ม, น, ม, นมันไม่มันไม่ยอมหยุดทำไมนะก็ร้อนก็อ่างเย็นก็อ่างนี่คือเป็นเป็ น, ปนมปกติชีวิตเราทุกเพราะสิ่งนี้นะสิ่งนี้ทำให้เราทุกความลังเลสงสัยความกังวลความห่วงใยความง่วงเหาาหานอนปฏิบัติไม่ได้เลยก็เป็นปัญหานะ ผู้เจ้ายิ่งใหญ่มาพระองค์เห็นหมดพระองค์บล็อกไปเลยว่าเราจะเจออะไรบ้างนะเราจะเจอไ อ, อ้เกตเล็กเกตน้อยไม่เหมือนกันแต่มันรวมกันแล้วอยู่ในเขาเรียกว่านิวรห้าสิ่งขวางกั้นทางเดินของจิตนะถ้าถ้าเข้าใจสิ่งที่เราทำนะเครื่องมือที่พ่อครูให้อย่างเดียวเท่า น, นั้นพรอครูไม่ได้ตั้งชื่อถ้าเราตั้งชื่อว่าวิธีปฏิบัติสมมติเราพุทโธยุบหนอพองหนอหรืออะไรก็แล้วแต่ มันเป็นชื่อเรียกวิธีไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะแต่ทำไปทำมาไอ้กิเลสเราก็จะไปหลงวิธีนั้นไปติดชื่อนั้นเลยไปยึดมั่นถือมั่นว่าปฏิบัติธรรมต้องเป็นแบบนั้นยี่สิบห้าปีพ่อครูอยู่ที่นี่ไม่เคยตั้งชื่อนะสิ่งที่เราทำอยู่ไม่มีวิธีแนวทางที่สูนย์นี้ไม่มีแนวทางนะเพียงแต่ว่ามีคำหนึ่งที่พ่อครูฝากให้เราคือเวี่ยงทิ้ง คำว่าเวียงทิ้งไม่ใช่ชื่อเรียกเขาบอกว่าบางคนบอกสมาธิเวียงคือภาษาเราเนี่ยเราไปคุ้นเคยว่าเราต้องมีชื่อเรียกสิเราไม่รู้ว่ามันจะปฏิบัติแนวไหนพอไปเรียกสมาธิเวียงปุ๊บก็เลยกลายเป็นว่ามันชื่อว่าสมาธิเวียงทีนี้ก็ไปลงรายละเอียดแล้วเวียงแบบไหนเห็นไหมเราไปติดวิธีการวิธีต้องต้องมีขบวนการของมันนะมีสเต็ปบายสเต็ป แต่สิ่งที่เราทำอยู่มันไม่มีวิธีทุกคนทำเองเราไม่ได้ไปก้าวล่วงกา้าวไกลในรายละเอียดว่าทุกคนต้องทำอย่างไรเห็นมแต่ถ้าทุกคนจำคำว่าเวียงทิ้งเนี่ยเวียงทิ้งเนี่ยไม่ใช่เวียงอารมณ์นั้นทิ้งไม่ใช่เวียงสิ่งที่เราเห็นทิ้งเวียงความเจ็บปวดทิ้งเวียงความสุขทิ้งเวียงความทุกข์ทิ้ง ให้เพียงที่มันเตือนเราว่าเวียงความยึดมั่นถือมั่นที่เราจะเป็นหลงมันทิ้งเตือนเราว่าอย่าไปติดมันนะเวียงไปเรื่อยๆบางเอิญมันมีอาการหมุนวนเขาเรียกว่าเออมันเหมือนแรงเวี่ยงนะพลังงานทุกอย่างมันต้องหมุนฮลิคอปเตอร์เราหมุนเบาๆมันห่อไม่ได้เห็นไหมเมื่อมันเร่งสปีดปุ๊บเมื่อมันแรงปุ๊บแรงเวี่ยงทําลายสนามแม่เหล็กนะมันก็ทําให้เราอิสระจากแรงดึงดูดมันก็ห่อได้ เนี่ยเราสร้างแรงเหวี่ยงให้กับจิตแล้วเอาพลังแรงเหวี่ยงตัวนี้เนี่ยมาเหวี่ยงความที่เราเอะอะไรนะเห็นไหมพอเราเอะอะไรนะเราเหวี่ยงตัวเอะไม่ใช่เหวี่ยงอะไรนะไม่ใช่ตัวเหวี่ยงตัวอะไรที่มันเกิดขึ้นเหวี่ยงไอ้ตัวเอะจริงไม่งั้นเราข้ามนิวรณไม่ได้นะเราไม่ได้สู้กันอย่างอื่นเราก็สู้กับไอ้สิ่งนี้แหละที่เราปลูกฝังเรามาไม่ใช่เรื่องชาติเดียวนะเราปลูกฝังอนุสัยนี่มาหลายชาติแล้ว แล้วก็บวกกับกิเลสใหม่ในชาตินี้นะี่ยของเก่าบวกของใหม่มันก็สร้างนิวรณ์ขึ้นนะเด็กเมืนนอกพ่อคูเคยจับเข้าค่ายหรือ ว, ว่าคนชนบทเนี่ยเขาไม่ค่อยมีความลังเลสงสัยหรอกเขาไม่คิดเขาไม่เคยฝึกวิธีคิดนะเขาตรงๆเลยเขาเวี่ยงเข้าไปในจิตง่ายมากแต่เขาก็มีอุปสรรคอย่างหนึ่งคือชีวิตเขานี่ก็ต้องอยู่กับการ ทำมาหากินเขาฆ่าสัตว์ทุกวันเขาก็จะเจอปัญหาเรื่องกายภาพเรื่องเจ็บปวดนะคนเรามันเจออุปสรรคไม่เหมือนกันแต่อุปสรรคต่างๆไม่ได้เกิดขึ้นลอยนะทุกคนต้องไม่เหมือนกันเพราะเราสร้างเงื่อนไ ข, ขให้กับตัวเองสะสมมาหลายชาติบวกกับชาติปัจจุบันเนี่ย เราสะสมทั้งบุญทั้งบาปนี่มาไม่เหมือนกันเราต้องรับวิบากไม่เหมือนกันแต่ยังไงก็ช่างเราแบ่งเป็นสองสองส่วนฝ่ายบวกกับฝ่ายลบมันมีของคู่บวกก็เบี่ยงทิ้งลบก็เหี่ยงทิ้งคืออย่าไปติดมันแต่ไม่ปฏิเสธบวกไม่ปฏิเสธลบปล่อยมันแสดงออกไอ้คำว่าเหี่ยงทิ้งคือเตือนเราว่าเออสัตธวรมรู้สัตธรรเห็น แต่ของเราไม่สักแต่ว่าเห็นปุ๊บเอ๊ะมันคืออะไรไอ้ตัวเอ๊่นี่แหละมันมาจากความอยากตัณหาคือที่มาของทุกข์มันก็สร้างนิวร์ทีนี้มันก็ดึงชักเยิ่งจิตมันก็จะไปไอ้ความคิดลังเลก็ดึงมาดึงไปดึงมาอย่างนี้นะไม่ใช่เรื่องผิดอีกมันเป็นกรรมของเราไม่เกี่ยวกับวิธีมันถูกวิธีมันผิดไม่ใช่เกี่ยวกับ ระาวาังไม่ลงเราก็ต้องยิ่งมุ่งมั่นปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆนะก็เหมือนเราไม่เคยจับปืนเลยเห็นไหมอยู่ๆเขาให้เราไปแข่งยิงปืนไม่ก็ต้องกดไกลแล้วก็ไม่เป็นเลยเราเริ่มต้นจากเออเราฝึกเราฝึกเราฝึกหลังจากยิงเป้านิ่งคุ้นเคยกับปืนแล้วทีนี้ต้องยิงเป้าบิน <c oughs> เห็นไหมเพราะเป้าบินเนี่ยมันมั น, ม, นมันเร็วมากมันเกิดขึ้นทิศไหนก็ไม่รู้มันไม่บอกเราล่วงหน้าเห็นปุ๊บต้องยิงเลย ชีวิตเราคือเป้าบินไม่ใช่เป้านิ่งที่เราฝึกสัมมาทัก ร, รมธาณเนี่ยก็เหมือนเราฝึกเป้านิ่งไม่ใช่ผิดนะเป็นอุบายวิธีที่ให้เราจดจอ่ออยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งนะสร้างอินทรีย์พล ร, ะ, ระในเรื่องสมาธิเรื่องสตินะเพื่อเพื่อเพื่ อ, เ พ, อเพื่อให้เราไม่ไม่คิดเพราะเราคิดตลอดตื่นเช้ามาก็คิดคิดแล้วก็พูดแล้วก็ทําวจีกรรมมโนกรรมกายกรรม และทำให้เราว้าวุ่นสับสนไม่สงบเราก็เลยไปฝึกสมาธิเพื่อกดมันไว้นะใช้อุบายให้จิตมีที่ยึดอย่าไปคิดเมื่อมันเลิกคิดปุ๊บมันวางความคิดมันก็เกิดความว่างแต่มันเป็นความว่างชั่วครู่มันไม่ใช่ความว่างถาวรความว่างถาวรต้องเข้าไปสู่สุญญาตานะทุกวันนี้เราว่างจากความคิด กิเลสมันก็ยังอยู่อยู่แต่ตอนนั้นเรามีพลังสมาธิมากแล้วเขาหนีเข้าไปอยู่ในฌานนะติดสุขในฌานเพราะตอนนั้นอ่ะอารมณ์ต่างๆมันไม่กระทบเราเราคิดว่าเราว่างนะถ้าอยู่ในนั้นนานๆเนี่ยมันก็ได้พักผ่อนชั่วครู่แต่มันมันไม่ทุกขแต่มันไม่พ้นทุกหลวงพ่อชาเตือนอย่างนี้บ่อยๆว่าโมจะถือศีล น, นั่งสมาธิมันจะไปไหนฝั่งเราน้ากลัวนะก็ถือศีลมันก็ดีอยู่แล้วเนี่ย นั่งสมาธิก็ดูอยู่แล้วเนี่ยท่านไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีท่านบอกมันจะไปไหนมันก็อยู่ตรงนั้นแหละมันไปกดมันไว้เหมือนหินทับหญ้านะเราไม่สงบเราว้าวุ่นเราก็ไปทําสมาธิกดให้มันสงบมันก็สงบชั่วครู่ในเวลานั้น่ะเราไม่ทุกข์แต่พอเราเลิกกดปุ๊บมันก็วีนอีกเพราะไอ้เชื้อที่ทําให้เราไม่สงบมันยังอยู่วิปัสสนาเนี่ยเป้าหมายสูงสุดคือทําให้เราเข้าไปถึงเรื่อง ทำให้เราไปสัมผัสเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดปัญญาสูงสุดรู้ว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เพราะมันดำรงอยู่ได้ยากมันเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายเพราะมันเป็นอนัตตาเมื่อจิตปัจจุบันเข้าไปสัมผัสตัวนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันยอมรับโดยดุดสเดีแล้วว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตปัจจุบันก็จางคลายความยึดมั่นถือมั่นกับที่เราหลงมันนะนี่นี่คือเป้าหมายสูงสุดที่เราฝึกจิต มันเกิดวิปัสนาทําให้เราเกิดวิชาเกิดปัญญาขึ้นปัญญารู้แจ้งว่าต้นเหตุคือมีอาวิชาคือมีความรู้ผิดนะมีกิเลสตัณหาอุปทานนะเรารู้เท่าทันมันแล้วก็ที่ว่าขัดเกลาจิตให้ผ่องใสเนี่ยนะทําไมมันไม่ผ่องใสก็มันเกิดโก้ด้วยกิเลสตัณหาอุปทานกระแสกรรมอยู่ในนั้นแล้วก็ล้างออกไปเรื่อยๆล้างออกไปเรื่อยๆ <c oughs> เพียงแต่ว่าอย่าใจร้อนอย่าไปคิดแบบตักกะว่าจะเรียนกี่ปี จบปริญญาไหนนะเรื่องจิตวิญญาไม่ใช่อย่างนั้นนะอย่าไปกำหนดมันถึงเวลาแล้วเขาจัดสรรตัวเขาเองนะถึงถึงเราจะบรรลุธรรมแล้วเวลาที่เหลือทำอะไรเราจะนั่งเฉยๆเราไม่ต้องทำอะไรเหรือก็ไม่ใช่เจ้าชายศิริธรรมในวันวิสาขา บ, บูชาพระองค์ตัดสรู้ธรรม เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์อยู่เหนือบุญบาปแล้วไม่ต้องสร้างบา ร, รมีอีกแล้วแต่พระองค์ยังสร้างศาสนาขึ้นมาเนี่ยเผยแผ่ อ, อีกสี่สิบห้าพรรษาทำเพราะทำในช่วงนั้นน่ยไม่ต้องเจริญมรรคนะแต่ชีวิตพระองค์ที่เหลือนั่นอยู่ในมรรคในทางตลอดเห็นไหมไม่ต้องกังนวลว่าอยากทำอว่าบรรลุธรรมแล้วจะทําไหมจะไปเป็นอะไรเหรอเข้าใจไหม เราบรรลุทุกวันเวลาปวดท้องปุ๊บเข้าห้องน้ำก็บรรลุขั้นหนึ่งแล้วอยากไปนิพพานเริ่มจากความอยากนี่นะมันไปไม่ไดนะ้อาบน้ำเพราะอาบน้ำไม่ใช่ร้อนถึงอาบไม่ใช่เปื่อนถึงอาบอาบเพราะอาบนะท ำ, พทำเพราะทำเพียงแต่ว่าไอแนวที่เราทำเนี่ยโดยเฉพาะสังคมไทยเราเนี่ย ไม่ค่อยคุ้นเคยมันเหมือนสิ่งใหม่เหมือนเหมือนแปลกจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่สิ่งใหม่หรอกมันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติบังเอิญว่าแต่ละสังคมเนี่ยในแง่ทางโลกเหมือนกันเ อ, อ่อถ้าสมัยในอดีตเอาเอาเป็นว่าสี่สิบปีที่แล้วไม่ต้องไม่ต้องนานๆนะสังคมโลกก็ไม่ใช่อย่างนี้ประเทศไทยก็อยู่อย่างวิถีไทยเรานุ่งผ้าถุง นุ่งจงกระเบนนะทางตะวันตกเขาเป็นคาบอยบต่างคนต่างอยู่แต่ตอนนี้เนื่องจากว่าความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและความคิดแบบแบบเหมือนเขาจะรวมเป็นหนึ่งเดียวรวมโลกเป็นหนึ่งเดียวนะเขาก็สร้างโปรแกรมหนึ่งบังคับให้ทุกคนเนี่ยดำรงชีวิตแบบเหมือนกันพยายามจะยัดเยิด ความคิดให้ทุกคนเนี่ยดำรงชีวิตเหมือนๆกันมันก็เลยเกิดการขัดแย้งขึ้นเพราะทุกคนเนี่ยที่มาที่ไปเริ่มต้นเกิดขึ้นมาก็ไม่เหมือนกันไอคิวก็ไม่เหมือนกันโดยเฉพาะคำว่าทุนนิยมเนี่ยใครเกิดมาพ่อแม่มีเงินมากมายก็ได้เปรียบทุนนิยมเนี่ยใครมีทุนมากกว่าคนนั้นนุมได้เปรียบลงทุนได้ดอกเบี้ย อีกคนนึงจะลงทุนจะเสียดอกเบี้ยเริ่มต้นกน็ต้นทุนมันก็สูงกว่าแล้วมันจะไปแข่งขันกันได้อย่างไรนะที่พ่อคูชี้ให้ดูว่าบางทีมันแว บ, บไปพูดถึงเรื่องทางโลกจริงๆแล้วมันไม่ได้แยกทางโลกทางธรรมหรอกนะทางโลกก็มีโลกกระทำแปดมันก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมะนะอีกกี่ล้านปีใครก็เปลี่ยนไม่ได้มีลาบเสือเส่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกตอนนี้เราฆ่าคนชั่วทั้งหมดเลย นะที่เรามหมดเหลอไม่มันก็มีอีกอีกกี่ล้านปีมันก็มีมันเป็นไปตามกรรมนะถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้มนุษย์เราไม่ต้องทะเลาะ ก, กันไม่ใช่ไม่ทะเลาะ ก, กันเฉยๆนะเราจะมีส่วนเกินมหาศาลเนี่ยไปแบ่งปันนะเรื่องของเรื่องพูดเรื่องอะไรก็ช่างก็มาจบอยู่ที่เรารู้หรือเปล่าว่าเราเป็นใคร ถ้าคนคนหนึ่งไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครไม่รู้ว่าชีวิตคืออะไรแล้วเนี่ยเราจะเผลอไปทำถูกทำผิดทั้งหมดคือเราไม่รู้เราเป็นใครนะที่เรามาฝึกเนี่ยเช้าสายบ่ายเย็นเนี่ยไม่ใช่ฝึกไม่ใช่เรียนนะคาว่าฝึกปฏิบัติเรากำลังปฏิบัติเพื่อให้เรารู้ว่าเราเป็นใครนะโดยใช้อริยบทต่างๆนะ การเคลื่อนไหวก็ดีเสียงก็ดีนะช่วงตอนสายนี่ยืนเดินนั่งนอนไม่มีเสียงหเห็นช่วงกลางคืนเดี๋ยวเราเต้นเหมือนดิสโกโ้เทคนาน า, นาจิตตังนี่เสียงดังมากเร็วมากนะช่วงตอนเช้ามีห้าอารมณ์นะฝึกตายก่อนตายด้วยอะไรนะเอาเป็นว่าการฝึกจิตเนี่ยกทำให้จิตเนี่ยมีโอกาสสัมผัสทุกๆสิ่งแวดล้อมทุกๆอารมณ์ นะเมื่อเมื่อเขาถูกฝึกมาแล้วเนี่ยเสียงดังก็สงบเงียบก็สงบนั่งเฉยเฉยก็สงบเคลื่อนไหวก็สงบเพราะชีวิตเราไม่ให้นั่งอยู่เฉยเฉยมันต่อมาอย่างเดียวก็กินข้าวไม่ได้นะนะทีนี้ทุกวันเราฝึกจิตทุกวันนี้เราฝึกจิตเนี่ยเราไปคุ้นเคยว่าไปฝึกสมาธิต้องนั่งกดมันไว้เนืองเนี่คำว่าสมาธิเนี่ยไม่ได้มันเป็นอริยบทสี่ ทุกๆอริยบทไม่ใช่อริยบทนั่งเฉยๆใช่ไหมนิ่งสมาธิต้องนิ่งเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้นเอกคตารมเป็นฌานสี่ในสมถะกรรมาฐานฌานสูงสุดเรียกว่าฌานสี่เริ่มจากวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาลมเอกคตารมก็คือเป็นหนึ่งเดียวมีอารมณ์เดียวเท่า น, นั้นคืออารมณ์สงบข้ามพ้นความสุขความสุขปิติข้ามพ้นวิตตกวิจาร น, นะ อันนี้คือเอกค้าตาลงถ้าไม่ถึงขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยเราจะเข้าไปสู่จิตในจิตไม่ได้ทีนี้ของเราอาศัยแรงเบี่ยงแะแรงพลังมหาศาลเนี่ยเพื่อปลดปล่อยอย่างอย่า ง, งถ้าเราไปนั่งกดมันไว้เนี่ยนะนั่งกดมันไว้เนี่ยเหมือนมอเตอร์ไซคันหนึ่งจอดไว้เฉยเฉยเนี่ยเราเห็นว่ามันนิ่งแล้วเอานิ้วเดียวผักมันก็ล้มลงไปมันนิ่งแบบไม่มีพลังแต่มอเตอร์ไซคันนึงมันมอเตอรไซค์ไต่ถัง เราดูในตาเนื้อให้มันไม่นิ่งเอามือเข้าไปมือขาดเลยมันนิ่งอยู่กับการเคลื่อนไหวเราเต้นเราสั่นอะไรเนี่ยนะพลังตรงนี้ทั้งกายเวทนาจิต ท, ทำรวมเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยไอ้ความคิดมันแทรกไม่ได้ทำไมต้องเสียงดังทำไมต้องเร็วนะถ้าเราไม่เร็วเราก็สู้อารมณ์เราไม่ได้สู้ความคิดเราไม่ได้ไม่ใช่เราเต้นอยู่มันไม่คิดนะมันก็ยังคิดอยู่ แต่ตอนนั้นพลังความคิดมันมันสู้พลังที่เราเราเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่เราทำไม่ได้นั่นเราอิสระมากนั่นคือเอกคตาลงตอนนั้นล่ะฌานซีเนี่ยหรือสมถะกัร ม, มาฐานเนี่ยเป็นบาทฐานเป็นตัวค้ําจุนวิปัสนาถ้าเราไม่ถึงขั้นเอกขตาลงแล้วเนี่ยจิตก็ไม่อิสระจิตก็ไม่เข้าไปสู่โพชฌงไม่ได้โดยเฉพาะไอ้ธรรมวิจยะสัมโพชฌง ตอนนี้เราพูดถึงเรื่องพุทธวจนะพุทธวจนะเป็นแค่คำบอกกล่าวเป็นแค่คำบอกกล่าวมันก็เหมือนหลักวิชาการอย่างหนึ่งเป็นคำพูดนะแต่เรียกว่าธรรมวิจยะธรรมวิจยะเนี่ยเป็นการปฏิบัติเพื่อให้มันเกิดผล ตอนนี้มีเรียนรู้เรียนรู้เรื่องวิชาการฟังเทศฟังธรรมนั่งจดนั่งจำแล้วก็เอาภาษาที่เราไปจำมาก็มานั่งเถียงกันนิพานเป็นอัตานัตตาเราต้องปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงตรงนั้นแล้วก็จิตเราเองจะวิจัยทำเองและจิตแต่ละท่านนี่วิจัยต้องไม่เหมือนกันนะไม่ใช่ไปถามเขาเธอจะเอาอะไรมาวิจัยอย่างสมาถะกรรมฐานยังถามนะเธอเอาอะไรมากาหนดฉันกาหนด ลมหายใจโดยเรียกอาณาปณะสติเรียกพุโทโธเรียกธรรมโมสังโฆก็แล้วแต่เป็นชื่อสมมุติเออคนคนนี้เอาอริยบทยุบหนอพองหนอขวาหนอซ้ายหนอเห็นไหมเขาใช้เครื่องมือทุกคนก็ทาเหมือนกันได้แต่วิปัสสนาเป็นเรื่องของจิตวิญญาณแล้วเนี่ยอย่าเรียนแบบจิตแต่และดวงเนี่ยเราฝึกมาหลายชาติแล้วนะเขาจะเอา วิชาเด่นเด่ของเขาที่สุดที่เขาเคยฝึกมาแล้วเนี่ยมาต่อยอดมาต่อยอดต้องเข้าใจนะในช่วงที่เราฝึกใหม่ๆเนี่ยไม่ช่าม่มชไม่ไม่กระทั่งใหม่ๆนะคนฝึกมานานมากบางวันอารมณ์เป็นอย่างนี้อารมณ์เป็นอย่างนี้นะบางทีบางอารมณ์วันวันวันหนึ่งสงบดีมากวันหนึ่งว้าวุ่นวันหนึ่งเย็นสบายวันหนึ่งร้อนมากอะไรเนี่ยนะมันก็เป็นปกติเขาทำให้เราเห็นว่ามันไม่เที่ยงไล อารมณ์ดีก็ไม่เที่ยงอารมณ์ร้ายก็ไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังทุกขงกังเนี่ตานี่แหละคือเป้าประสงค์ที่เราฝึกจิตไม่ใช่ฝึกจิตเพื่อให้มันสงบฝ่ายเดียวหนีไปอยู่ในฌานบอกว่างๆมักสนุกมีความสุขอย่างนั้นอะเวลานั้นเราไม่ทุกขแต่เราไม่พ้นทุกนะเรายังไม่กดมันไว้อยู่นะเรามีหน้าที่นอกจากทําดีแล้วต้องละชั่วนะต้องละชั่วด้วย ยังไม่พอต้องขัดเก่าจิตให้ผ่องใสด้วยไม่ใช่หนีไปอยู่ในฌานไปติดความว่างความสงบนั้นความว่างที่แท้จริงนี่ต้องเข้าไปสู่สุญญาตาคือว่างจากอัตตาต้นเหตุคือเรามีอัตตานั่นแหละคือว่างถาวรว่างจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นคือว่างถาวรแต่ตอนนี้พอเราฝึกสมาธิฝึกอะไรกันนานๆเนี่ยจิตมันมีพลังระดับหนึ่งมันสู้ความคิดได้มันก็หลบไปตรงนั้นมันก็ เกิดความบ้างไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่ถ้าเป็นหลงติดมันเมื่อไหร่เนี่ยเป็นความเสียหายอย่างยิ่งเสียเวลาชีวิตเราไม่ใช่มาฝึกแค่ให้มันว่างให้มันสงบนิ่งชั่วครา ว, วเพราะเราเบื่อมากความวุ่นวายนะเหมือนเราปวดหัวนั่นแหละกิญญาพารามันก็หายปวดชั่วคราวพอฤทธิ์ยามันหมดถ้าเราไม่เลิกคิด สร้างมโนกรรมมันก็ปวดอีกนะการที่ไปกดมันไว้สงบนั้นมันก็เหมือนกินยาพารานะพอเลิกกดปุ๊บมันก็วียนอีกเพราะไอ้เชื้อที่ทำให้เราไม่สงบมันก็ยังอยู่นะเมื่อกี้ก็พอกูพูดถึงว่าฮูเอ็มไอจริงๆแล้วเรื่องนี้เคยพูดแล้วแต่บังเอิญวันนี้เนี่ยมีท่านมาใหม่ด้วยแล้วก็ยังไม่เคยได้ยินนะคำโบราณคนโบราณเาเขาเข า, เขา เขาพูดเรื่อง เ, ออเขาเรียกว่าคำอะไรละ่ะมันเป็นปริศนาธรรมอย่างหนึ่งนะถ้าเราเข้าใจมันปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเราคือใครนะก่อนที่จะรู้ว่าเราคือใครเอาอย่างนี้ก่อนเราประกอบด้วยอะไรเขาพูดสั้นๆคือสี่คนหามสามคนแห่สองคนนั่งแค่หนึ่งคนพาไปแค่นี้นะ ถ้าเราตีความได้แล้วเราจะรู้ว่าไอเราเนี่ยไอที่นั่งอยู่ที่นี่เนี่ยมันคือมันคืออะไรถ้าบอกมันคือใครเราหมายถึงคนใครนี่คือคนเอาเป็นว่าไอก้อนที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่อันนี้คือคำเฉลยคือสี่คนหามสามคนแห่สองคนนั่งแค่หนึ่งคนพาไปสี่คนหามเนี่ย ในยะ ก, ก็คือเขาหมายถึงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไอตัวที่นั่งอยู่นี่ไอ้ก้อนตรงนี้เนี่ยประกอบด้วยดินน้ำลมไฟถึงจะกลายเป็นไอ้สิ่งนี้เนี่ยขึ้นมาแล้วก็ต้องบวกกับวิญญาณธาตุคือจิตวิญญาณเข้ามาเนี่ความเป็นความเป็นถ้าบอกว่าตัวตนเนี่ยเดี๋ยวจะไปมันจะแยกไม่ออกนะ ความเป็นตัวตนของจิตกับเป็นกุตัวตนของร่างกายเนี่ยเอาจากร่างกายก่อนประกอบด้วยดินน้ำลงไฟและที่เรามีชีวิตนี่ประกอบกับวิญญาณธาตุถ้าไม่มีจิตวิญญาณแล้วเนี่ยความมีชีวิตเกิดขึ้นไม่ได้ก้อนหินอะไรพวกนี้น่นะมันไม้นี่มันก็เคยมีชีวิตแตพอเามันตายแล้วเนี่ยมันก็เป็นแค่ดินน้ำลงไฟ แต่ต้นไม้นั่นมันมีวิญญาณต้นไม้มีวิญญาณทำไมมีวิญญาณในต้นไม้นั่นมันมีธาตุน้ำในธาตุน้ำนั้นมันมีจุลินทรีย์จุลินทรีย์นั้นมีวิญญาณนะสัตว์เซลล์เดียวอะไรก็ช่างเนี่ยถ้าไม่มีคาว่าวิญญาณในความมีชีวิตเกิดขึ้นไม่ได้เราประกอบด้วยดินน้ำหลงไฟนี่คือสี่คนหามนะ คือดินน้ำลมไฟสามคนแหน่นะเราหนีไม่พ้นอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เาเรียกว่ากฎพระไตรลักษณะสามประการของธรรมชาติคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเก่งแค่ไหนก็ช่างหนีจากกฎเกณฑ์นี้ไม่ได้เห็นไหมล้วเกิดมาเป็นเบบี้ ร้องไห้แอ่แหกปากร้องเลยวันแรกเกิดแทนที่จะดีใจฉันเกิดแล้วอิสระแล้วอยู่ในท้องคุณแม่อึดอัดเลยออกมาร้องไห้เลยเห็นไมเขาก็ตั้งชื่อให้เราชื่อบัญชานะแถมศาสนามาด้วยพ่อแม่ถือพุทธเธอก็พุทธกันแล้วกันมันดีโดยที่ไม่รู้ว่าอะไรแล้วทำไมทามาเราก็โตขึ้นนะแล้วก็แก่แล้วหกสิบห้าแล้วมันคนเดียวกันหรือเปล่า กับตอนที่เราเกิดใหม่ๆเ ห, ห็นถ้าเราไปดูวิดีโอหรือดูภาพเก่าๆเรามาแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมเราเปลี่ยนถนึงขนาดนี้อ่าทำไมเราไม่ทไมไม่นักวิทยาศาสตร์ไม่หายาที่ว่าฉีดเข็มหนึ่งไปปุ๊บหนุ่มสาวตลอดเวลาไม่ต้องแก่เลยเหรอไหเพราะเราอยู่ภายใต้กฎพะยรลักคือลักษณะสามประการของธรรมชาติ มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นทุกข์ในที่นี้ไอ้ตัวทุกข์ตรงนี้เนี่ไม่มันไม่ใช่ของคู่กับตัวสุขทุกข์ตัวนี้คือดำรงอยู่ได้ยากมันเป็นของชั่วคราวเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายมันเปลี่ยนแปลงตลอดเพราะมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนต้นไม้เหมือนกันมันอยู่ได้ล้านปีได้ไหมไม่ได้คำว่าต้นไม้ก็ชื่อสมมติ มันมีอายุไขของมันตัวเราก็เหมือนกันเห็นไหมนักวิยาศาสตร์ทำสิพย า, านะพยามทำนะพยายามทำอายุยืนกินยาบมรุงอะไรอะไรก็ช่างสุดท้ายก็ไม่ได้อาสวัตรยานั้นได้ผลจริงๆนะอายุยืนขึ้นมาคิดว่าเราไม่เกิดอุปตัติเหตุเหรอไม่มีทางถ้ากระแสกรรมมันยังมีอยู่เราจะต้องตายอย่างอื่น ไม่ต้องไปต้องตายจากโกาครคภัยไข้เจ็บมันจะตายจากอย่างอื่นเพราะเราอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์สามประการนี้คืออ น, นิจจังทุกขังอนัตตานี่คือสามคนแห่สองคนนั่งแค่นะสี่คนแบกสามคนแห่สองคนนั่งแค่สองคนนี้เปรียบคือบุญกับบาปบุญกับบาปจริงๆแล้วไม่ใช่ความดีความชั่วนะ คำว่าบุญบาปคือฝ่ายกุศลกับอกุศลแต่ทุกวันนี้มนุษย์เราเอาเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องถูกเรื่องผิดทีนี้ถ้าใครผิดกฎหมายเป็นคนชั่วหมดคนติดคุกนี่ชั่วหมดเลยแต่าทานายความที่เรียนกฎหมายมารูจัดหลีกเลี่ยงกฎหมายเป็นคนดีหมดจริงๆแล้วมันไม่ได้คิดอย่างนั้นดีชั่วในทางศาสนาเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องบุญกับบาปเรื่องกุศลกับอกุศล สองคนนั่งแค่ไอสองคนนี้นะ่ะโปรแกรมนี้แหละเป็นตัวกำหนดอนาคตเราใช่ไหมแล้วก็หนึ่งคนพาไปหนึ่งคนนี้คือจิตสุดท้ายจิตสุดท้ายที่มันจะออกจากร่างเนี่ยมันจะแบกโปรแกรมไอสองคนเนี่ยคือบุญกระบาบตัวนี้เนี่ย เป็นตัวกำหนดให้เราไปอยู่ในร่างที่ดีขึ้นหรือเลวลงอันนี้ฟังหูไวหูฟังเข้าๆนะอย่าพิ่งเชื่ออย่าพิ่งปฏิเสธเดี๋ยวเราจะเสียเวลาชีวิตเราเราต้องทำตัวเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่นะยิ่งไม่เชื่อยิ่งต้องวิจัยเรื่องนี้แต่การวิจัยเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แไปห้องแลบ ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีอะไรก็ช่วยไม่ได้เรามีเครื่องมืออยู่แล้วคือกายเวทนาจิตธรรมก็เอาเครื่องมือที่เรามีอยู่แล้วนี่แหละเป็นเทคโนโลยีในการวิจัยเรื่องเรื่องนี้แล้วเราจะรู้ว่าเราคือใครกันแน่เมื่อเรารู้ใครกันว่าเรารู้เรามีแค่นี้เหรอเดี๋ยวก็ตายแล้วนะ แล้วยังอยากได้อะไรเหลืออยากไปเบียดเบียนเขาทําไมอยากไปสร้างกรรมทําไมแล้วเรารู้เรื่องว่าเรื่องเรื่องนี้เรารู้เรื่องกฎแห่งกรรมมันมีจริงเรื่องบุญบาปมีจริงแล้วเราจะไปสร้างกรรมทําไมเนี่ยอันนี้คือสําคัญมากทุกคนต้องหาคําตอบให้ได้ว่าเราเป็นใครถ้ายังไม่มีคําตอบแล้วชีวิตเราจะเคว้งเคว้งไปตามกระแสโลกกระแสสังคมเขาเปลี่ยนยุค เปลี่ยนสมัยเราก็เปลี่ยนไปตามเขาที่เมื่อกี้พกูยกตัวอย่างเมื่อสี่ปีก่อนเท่านั้นเองสี่ห้าสิปีก่อนคนไทยยังนุ่งจงกระเบนอยู่นะคุณยายังอะไรอยู่นะตอนนี้มันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเร็วมากเปลี่ยนตามกระแสอะไรคนไทยไปเปลี่ยนฝรั่งไหมไม่ใช่เราถูกเขาเปลี่ยนเห็นไหมเราเราก็เป็นส่วนหนึ่งของของสิ่งที่เขาเขาบังคับให้เราเปลี่ยน เพราะเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครพวกครูก็วิ่งไปตามเขาสี่สิบปีพอจิตมันทะลุป้องแล้วเนี่ยมันมันหยุดเขาไม่ได้หยุดโลกไม่ได้มันเป็นไปตามกรรมแต่พวกรูเปลี่ยนชีวิตพวกครูได้ก็มาอยู่ที่นี่พราะพวกคูเห็นชัดมากว่าเราคือใครใช่อันนี้คือคำตอบว่า ทำไมเราต้องเสียเวลามาปฏิบัติธรรมแค่วิงานข้างนอกที่เราทำอยู่ปัญหาที่เราเจออยู่วันหนึ่งมียี่บสี่ชั่วโมงก็แก้ไม่ทันอยู่แล้วเราจะเอาเวลาที่ไหนมาปฏิบัติปฏิบัติธรรมคาว่าปฏิบัติธรรมก็คือทำให้เราเนี่ยเข้าถึงธรรมชาติเดิมของเราให้รู้ความจริงตามธรรมชาติว่าเราคือใคร เราคือใครกันแน่ตอนนี้เราเป็นคนที่เขาเรียกคุณบัญชาตอนยังเด็กก็เด็กชายบัญชาแล้วก็เป็นนายบัญชาคุณบัญชาอันนี้เป็นแค่ชื่อสมมุติแล้วก็ไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อเราไปยึดมั่นหรือมั่นความเป็นของเราเนี่ยเราก็สร้างอัตตาขึ้นสร้างอัตตาขึ้นในจิตเรานะ เธอชื่อบัญชานะหนึ่งสัญญาเธอเอาศาสนาพุทธนะสองสัญญาศาสนาพุทธดีที่สุดในโลกนะนี่พ่อนะนี่แม่นะหลายหลายสัญญารวมกันเป็นคณะสัญญาคณะสัญญากลายเป็นอัตตาขึ้นมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนคณะสัญญากั้นบังอนัตตาทำให้เราไม่เห็นถึงความเป็นอนัตตาของมันตัวตนเหล่านี้เราสร้างขึ้นมาเองหมด แต่คนอื่นช่วยเราสร้างเนี่ยมันเป็นกรรมร่วมนะทีนี้เราหยุดโลกไม่ได้แต่เราเปลี่ยนตัวเองได้มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะเรื่องส่วนตัวเราไม่เข า, เขาด่าเราว่าพวกนี้ไม่ไปทามาหากินเอาเวลาตรงนี้เนี่ยแก้ปัญหาไม่ได้ยังจะไปเอาเวลาไปหลับหูหลับตาจะได้อะไรนะเหมือนเหมือนบางทีเราเห็นแก่ตัวด้วยมันไม่ใช่นะ เราอาบน้ําก็เป็นเรื่องส่วนตัวเรากินข้าวก็เป็นเรื่องส่วนตัวถ้าเราไม่กินเราก็หิวเห็นไหมเราไม่อาบเราก็เป็นโรคผิวหนังมันไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะใครทําคนนั้นก็ได้เหมือนเราเออกกําลังกายนั่นแหละเราขยันไปจ็อกกิ้งอยู่สวนลุมต้องแรกอะไรไหมเหนื่อยนะ แต่ถ้าเราไม่เอาละเหนื่อยแล้วเราก็ไม่แข็งแรงนะเหมือนต้องแรกอะไรสักอย่างหนึ่งเมือนเราปฏิบัติจิตเหมือนกันไอ้ปฏิบัติแล้วเจ็บนวนปวดนี่ระบวงไปหมดเลยไม่เอาดีกว่าเห็นไหมเราไม่ยอมจ่ายนี่แล้วก็เราไม่มีความมุ่งมั่นเราก็ถอยเราก็ไม่ได้แข็งแรงจิตก็ไม่แข็งแรงเหมือนกันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวิธีนี้เนะี่ยที่มันไม่มีวิธีเนี่ยนะจะเป็นท้องอืดท้องร่วงหนักหัวหนักหน้าอก คลื่นไส้อยากอาเจียนไม่ต้องทานยานะความไม่ปกติที่เกิดขึ้นกับแนวนี้เนี่ยคือความปกติของเขาถ้านั่งแล้วมันไม่มีอะไรเลยแสดงว่ามันไม่เวิร์มันไม่ทำงานเขากาลังปรับสมดุลอยู่ในรณะที่ปรับสมดุลอยู่เพว่าเราเราเป็นหนี้เขาเราก็ต้องจ่ายหนี้ใช่ไหมละ่ะถ้าเราไปหนีหนี้เราวเหนียวนี่มันไม่จ่ายมันก็ไม่ไปไหนไง ่ยอย่าติดสุขนะไม่ใช่สุขก็ไม่เอานะสุขก็รู้ไม่ไปติดมันทุกก็รู้ไม่ไปติดมันนะอารมณ์ดีก็รู้อารมณ์ชั่วก็รู้สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นบางคนแยง้งก็ู่ว่าไม่พิจารณาไม่ตัดสินจะเกิดปัญญาได้อย่างไรเราไปคุ้นเคยว่าปัญญาต้องเอาไปคิดสิต้องคิดเยอะๆอันนั้นเป็น มันเป็นมันเป็นปัญญาเกิดจากการจินตนาการเป็นจินตมยปัญญาส่วนมากคิดเข้าข้างกิเลสตัวเองมันไม่เพียวมันไม่บริสุทธิ์ผู้เจ้าส่งเสริมภาวนามยปัญญาใช่ไหมทำตรงตรงเลยไปลิ้มรสควาเลยไปเห็นทุกข์เลยไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมนะไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมไม่ใช่มานั่งสมาธิเพื่อให้มันเกิดสุขฝ่ายเดียวนั่นแหละติดสุขในฌาน เมื่อวานในปุ๊กค่อยเอาไอ้ลิสต์อย่างหนึ่งพิมพ์ไปพ่กครัวหลวงพ่อเทียนท่านก็พูดพูดธรรมะจริงๆแล้วธรรมะมันมันมันเหมือนกันนั่นแหละอยู่ที่ว่าเป็นภาษาไม่เหมือนกันเท่านั้นเองแต่ว่าเนื้อหาเหมือนกันนะหลวงพ่อเทียนท่านบอกว่าปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปนั่งหลับหูหลับตาไปเห็นดวงแก้วไปเห็นแสงโน่นแสงนี่อะไรเนี่ยนะถามว่ามันเห็นไหมเห็น แต่สิ่งที่เราเราเห็นจริงเลยแต่สิ่งที่เราเห็นมันไม่จริงท่านกระบอกเป็นมายานะจิตมันสร้างนิมิตสร้างอารมณ์ขึ้นมามาสอบจิตปัจจุบันถ้าเราเผลอไม่เหวี่ยงทิ้งแล้วก็ไปติดไงโอ้สุขสบายอุ้ยมันว่างอุ้ยอะไรเนี่ยก็ไปติดมันไงเห็นไหมเราฝึกพิปัสนาเนี่ยไม่ใช่ไปเห็นโน่นเห็นนี่แต่สิ่งที่เราเห็นนั่นมันเป็นตัว เครื่องมือมาสอบอารมณ์เราว่าเราทันไหมเราทันเราเอยียงทิ้งปุ๊บมันเกิดขึ้นมันก็หายไปทุกๆอารมณ์เกิดขึ้นก็หายไปเราจะสัมผัสอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นคือเป้าประสงค์ไม่ใช่ไปนั่งเห็นเทวดาหลวงพ่อเทนท่านก็เอ่ยเลยท่านพูดนะไม่ใช่พระกูพูดนะครับว่าไปเห็นพระพุทธเจ้าเห็นเห็นองค์พระ ท่านใช้ว่าผู้ริเจ้าตายไปแล้วตั้งนานนะมาเกี่ยวอะไรกับเราผู้ริเจ้าพูดเองในพระไตรปิฎกนะว่าระหว่างทางเดินไปเห็นพระพุทธองค์เนี่ยฆ่าพระองค์ทิ้งเลยนะส่วนมากเราเห็นผู้ริเจ้าเป็นแบบพระพุทธรูปเห็นจากอุปทานเราไงเพราะเรากราบไหว้เราเราสร้างภาพพระพุ้ริเจ้าต้องเป็นแบบนี้เราไม่เคยเห็นเจ้าชายศิีทัตถาเลยมันเป็นนิมิตแต่มันเป็นนิมิตซึ่งจิตมันสร้างมายาภาพมาสอบจิตปัจจุบัน เรื่องอะไรฉันจะเหวี่ยงผู้ใจเจ้าทิงผู้เจ้าบอกอุย้ยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราทถ า, าคตฉันเห็นธรรมแล้วฉันเห็นแต่ทศกัแล้วโดนหลอกไม่ใช่เห็นธรรมแบบนั้นเห็นไหมละ่ะถึงว่าเราพวกเรานิ่งเข้าไปในจิตได้เร็วๆนะระวังนะก็ไอ้จิตเดิมนอนนะ่ะเขามาสอบจิตปัจจุบันถ้าจิตปัจจุบันยังมีกิเลสอยู่ยังชอบอะไรพิเศษมิโสอยู่ก็ไปส่งเสริมกันชอบมากแสดงฤทธ พาครูหลายปีบอกเวียงทิ้งเวียงทิ้งบางคนไปกระซิบกันอย่าไปฟังพ่ะครูนะอุตสาหามาตั้งนานแล้ว <c oughs> เวียงทิ้งเสียดายไม่ก้าวหน้าไงเพราะเรายังมีความอยากพิเศษอยากเป็นผู้วิเศษนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยให้เราเข้าถึงธรรมชาติเห็นความจริงว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจะเกิดปัญญาปัญญาสูงสุด คือไม่มีอะไรต้องรู้ไม่มีอะไรต้องเห็นเพราะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะไปรู้ทำไมวิจัยทาไมคำว่าธรรมะวิจยะสัมโพชฌงเนี่ยไม่ใช่พิจารณาไม่ใช่ความคิดนะเรากำลังวิจัยเราเข้าไปอยู่เนี่ยสว่าเราเดินทางเนี่ยโอเคเราต้องทะลุช่องตรง น, นั้นในขนาด น, นัเราต้องผ่านมานเยอะๆเนี่ยมันก็เอาความจริงที่เราไปเจออารมณ์เหล่านี้น่ะนะ เราไปเรียนรู้กับมันวิจัยไม่ใช่ไปนั่งคิดคือเข้าไปโดดเข้าไปยุ่งกับอารมณ์นั้นทในธรรมคือทําอารมณ์อารมณ์ว่างก็ระวังบางคนชอบว่างอยู่แล้วเรื่องอะไรฉันจะเวี่ยงทิ้งหามาตั้งนานอยู่กับมันก่อนบางทีตายเปล่านะตายเปล่าเนี่ยการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปเห็นโน่นเห็นนี่แต่ปฏิเสธว่า เราเราไม่อยากเห็นก็ไม่ได้ไอตัวที่เราเห็นนั่นเหมือนเราเห็นเป้าบินเนี่ยเรามีหน้าที่ยิงเป้าบินแต่เราไม่ยิงไงเรื่องอะไรมันเป็นเพชรมันเป็นพลอยเรื่องอะไรจะยิงดิ้งเนี่ยความว่างความสุขมันทุกเน่ยชีวิตเราคนนั่งแล้วมันสุขมากเรื่องอะไรจะเบี่ยงสุขทิ้งไม่ใช่เบี่ยงตัวสุขทิ้งไม่ใช่รังเกียจมันเบี่ยงความยึดมั่นถือมั่นกับความชอบสุขทิ้ง สุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาแต่ไม่ได้ปฏิเสธมันว่ามันไม่มีมันมีอยู่แต่มันเป็นของชั่วคราวมันไม่จีรังยั่งยืนนะต้องต้องต้อ ง, ต, องต้องจำคำว่าเวียงทิ้งไม่งั้นเราจะเป็หลงติดมันน่าติดมากเพราะมันพิเศษเราอยู่ข้างนอกวุ่นวายมากรลหนีเข้าไปในนั้นโอ้โหสุดยอดเลยเบาเบาสบายสบายเออเ อ, อ, อะไรก็กระทบเราไม่ได้เรื่องอะไรจะไม่ติด คำว่าติดก็คือหลงไงหลงติดนะโรคกวดหลงเนี่ยมันทำให้เราทุกข์ทั้งนั้นแหละนะไม่เอานะติดอะไรก็ไม่เอาผ่านไปนะก็คุยกันบ้างพอสังเขตอย่าไปคุยสภาวะธรรมกันเดี๋ยวมันจะเลือเรื่อนนะก็เร็วๆนี้พระครูเคยพูดในกลุ่มเรีย ก, กว่าเนี่ยเพิ่งอาทิตย์ที่แล้วมาเนี่ย มีด็อกเตอร์ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นหมอนันตอนนี้เขาเรียกท่านว่านอสตาดาหมดในเมืองไทยเขาทายทักเลยหลังพุษธาเนี่ยมนุษย์เราจะกลายพันคือมีอะไรงอกงอกออกมาเลยนะเพราะแกนโลกมันเอียงหรือว่าแรงโน้มถ่วงมันเปลี่ยนอะไรก็ช่างเขาบอกเขาเห็นจริงเขาทำนายเรื่องสึนามิอะไรมาตรงหมด เห็นจริงจะสิ่งเดิม น, นั้นไม่จริงเห็นจริงสิ่งที่เห็นมันไม่จริงมองกายภาพมองอะไรอะไรเนี่ยเ ข, เ, ขเขาสร้างกายภาพนั้นทำให้เราเห็นอารมณ์นั้ น, นที่นี่ศูนย์ก็พูดตั้งหลายปีแล้วว่าปากใต้น้ำจะท่วมก่อนเกิดซีนามีนะก่อนเกิด11กันยายน อเมริกาจะโดน World Trade Center รไม่ใช่เพราะกูเห็นนะมีจิตดวงนึงขึ้นมาเนี่ยพูดไปหมดเลยน ะ, นะเราตอนนั้นเข้าพรรษาเดือนเดือนกรกฎาคมพอกัญญาปุ๊บเจอ ก, กัญญาก็เกิดเรื่องแล้วก็ปักใต้น้ำท่วมกัลสิมีคือคือเราเห็นอารมณ์มันคือเห็นอารมณ์เห็นเห็นความเปลี่ยนแปลงของขึ้น อย่าระบุวันที่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไประบุเป็นตัวตนอย่างนั้นนะคือจิตเขาไปพยายามสร้างนิมิตมาให้เราให้เราสัมผัสอารมณ์นั้นได้สัมผัสขึ้นนั้นได้อันนี้เห็นไปรายละเอียดได้ว่าโอ้มนุษย์เราจะกลายพันธุ์งอกอะไรเนี่ยนะพวกครูบอกเราเลยได้ตอนนี้มนุษย์เรากลายพันธุ์แล้วกําลังกายพันธุ์ทุกวันไม่ใช่กลายพันธุ์เรื่องกายภาพเรื่องอารมณ์ของมนุษย์เนี่ยกลายพันธุ์ ทะเลาะกันทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกเราไม่ใช่มนุษย์ผู้ประเสริฐอีกแล้วใช่ไหมเราแค่เป็นอะไรล่ะ เ, เป็นสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องมือในการสร้างทุนถูกเขาสร้างเป็นทรัพยากรเท่านั้นเองเ อ, อ, อยู่ในเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่เป็นเกมแข่งขันเนี่ยนะเนี่ยเรากายพันธ์กายพันธุ์ทางด้านจิตวิญญาณ แล้วมันจะแรงขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเพราะกระแสกรรมที่เราสะสมมาเนี่ยมันยิ่งมายิ่งเล่งยิ่งเล่งเล่งเร่งเ่งเลยิ่งเล่งนะก็พวกครูก็สัมผัสขึ้นธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงทุกวันนะแล้วก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นทุกวันขึ้นมนแต่อะไรจะเกิดมันก็เกิดมันเป็นเรื่องที่นอกวิสัยที่เราจะไปทำอะไรได้เรามีหน้าที่ทำหน้าที่เราดีที่สุดธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะ ช่วงทำงานก็ทํางานอย่างมีความสุขช่วงปฏิบัติก็ปฏิบัติอย่างมีความสุขช่วงกินข้าวช่วงอาบน้ําก็ทําหน้าที่เราอย่างตั้งมัน่นเราทําได้แค่นั้นอะไรจะเกิดมันก็เกิดนะตอนเช้าเช้าเราก็ฝึกตายก่อนตายทุกวันอยู่แล้วดีก็ตายชั่วก็ตายจนก็ตายรวยก็ตายกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตา ย, รตายเราตายแน่ๆมันต่างกันที่ตายดีหรือตายชั่วตอนนั้นเองนะ ตายดีไปสู่สุขติยิ้มเลยแลนะนอนยิ้มอันนี้จะตายยังนอนยิ้มเหรอมันยิ้มสิมันหมดภาละแล้วมันต้องเปลี่ยนร่างใหม่ไปอยู่กับร่างสัพปะลังเคนี้ทาไมแต่พอเรายังไม่ยอมตายห่วงลูกห่วงหลานเนี่ยนะอีกสองวันก็เน่าเหม็นเลยนะตายด้วยความเครียดมันไปสู่ทุกขตีวินาทีนั้นนะสําคัญมากๆนะเรามีหน้าที่ เตรียมตัวกันไม่ใช่เราวิตกจริดนะไม่ใช่เราคิดอะไรในในแง่ลายไม่ใช่ผู้เจ้าไม่ได้มองโลกในแง่ลายไม่ได้มองโลกในแง่ดีพระ อ, องค์มองโลกในแง่ความเป็นจริงเพราะตายแน่แน่พระ อ, องค์จึงเตือนเราว่าต้องเจริญมรรนานุสติอย่าประมาทคนฉลาดก็ต้องเตรียมตัวให้บอกเราบอกต่อสู้เพื่ออนาคต อันหาขั้วสูงสุดเราคือตายไงเคยเตรียมตัวเรือยังม่จะเตรียมตัวรวยกันแต่ไม่เตรียมตัวตายกันพราะวันจะตายแล้วเนี่ยไอ้ที่สร้างมาทั้งหมดเนี่ยเอาไปไม่ได้เลยวางไม่ลงอีกเห็นไหมพวกเรานักวิทยาศาสตร์คนสมัยใหม่ว่าต้องมีวิชั่นนะวิสัยทัศน์กว้างไกลพวกครูบอกสายตาสั้นหมดอะมองอะไรสั้นๆ ไม่ใช่มองเรื่องแค่ชาติเดียวนะชาติเดียวก็ไม่ได้มองชาติเดียวคือสุดท้ายคือตายไงแต่ชาติเดียวยังไม่จบนะมันเป็นเรื่องของวัตตะสงสารเรื่องหลายชาติเลยไงคนวิสัยทัศน์ยาวมันต้องมองทะลุ ป, ป้องท้กวันนี้มองแค่ว่าพรุ่งนี้ปีหน้าฉันจะรวยเมื่อไหร่นี่คือสายตาสั้นไม่ใช่สายตายาวนะสายตายาวต้องมองทะลุเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ความตายนั่นคือธรรมะทางโลกทางธรรมอะไรก็ช่างไปแยกพูดสุดท้ายก็คือทางเดียวกันก็คือความจริงคือตายนะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเราตถาคตก็คำนี้ไงพอนั่งก็ไปโอ้ความอยากก็อยากเห็นตถาคตนะท่านก็ลอยมาเลยเราเห็นธรรมแล้วเราเห็นพุทธเจ้าแล้วบอกเราเห็นธรรมแล้วอันนี้ธรรมหลอกเป็นภาพมายานะ พระพุทธองค์ตัดไว้เองว่าอย่าว่าแต่เห็นขนาดนั้นนะได้จับนิ้วพระองค์จับเท้าพระองค์ด้วยเนะี่ยยังไม่เห็นพุทธเจ้าเลยผู้เจ้าไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตนอย่างนั้นเห็นธรรมคือเห็นความจริงเข้าถึงความจริงตามธรรมชาตินะเข้าไปสู่สุญญาตานั่นนหะเราจะเข้าใจว่าเราจะเห็นพทธเจ้าเลยว่าโอ้ที่พระเจ้าเห็นนั่นก็อย่างนี้แหละสิ่งที่พระองค์อยากบอกเราก็คืออย่างนี้แหละ นั่นคือผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตไม่ใช่ไปเห็นรูปร่างหน้าตาพราะองค์อย่างนั้นนะอันนี้นเห็นในนิมิตมันเป็นมายานะเห็นธรรมคือเห็นความจริงอันดับแรกความจริงที่เราต้องเห็นคือในร่างกายเราเนี่ยนอกจากประกอบด้วยดินน้ำลมไฟแล้วก็วิญญาณธาตุแล้วก็สิ่งหนึ่งคือจิตจิตเป็นความจริงอย่างเดียวที่อยู่ในตัวเรา นี่คือเห็นธรรมคือจิตเห็นจิตเราเห็นธรรมเบื้องต้นล่ะจิตเห็นจิตคือมรรคนะจิตเป็นความจริงอย่างเดียวในตัวในในใ น, ในตัวนี้ไอ้ร่างตัวเนี่ยประกอบเนียไอ้ร่างกายนี้เอาไปเผาก็กลายเป็นอากาศธาตุที่เหลือเป็นธาตุดินแต่ความร้อนกี่พันองศาก็เผาไม่ได้จิตเนี่ยเขาบอกว่าอย่า้ากาไรเกินควรอย่าหนีนี้ โปรแกรมกรรมตัวนี้เผาไม่ได้อันนี้คือความจริงที่อยู่ในตัวเราเราจึงต้องเข้าไปเรียนรู้กับความจริงหลอนดับแรกต้องเข้าไปในไม่ใช่เห็นจิตแบบไปนั่งดูจิตนะดูกายดูเวทนาดูจิตก็เห็นเงาของมันเห็นเงาของจิตเท่านั้นเองเห็นอารมณ์เวทนาข้างนอกก็เข้าใจว่าเห็นจิตไม่ใช่ต้องเปิดประตูบ้านเข้าไปในจิตในจิตเข้าไปขัดเกลจิตให้ผ่องใส เมื่อเราเข้าไปในบ้านแล้วเนี่ยเราถึงรู้ว่าอารมณ์ในบ้านมันเป็นยังไงแล้วก็ขัดเก่ามันออกมาเน่แล้วเข้าไปอยู่กระแสมรรคละเข้าไปฉูกระแสมรรคเน่ยดวงตาเห็นธรรมไม่ใช่บรรลุธรรมนะบนรรลุขั้นต้นก็คือว่าเห็นจิตเข้าไปในกระแสทีนี้จิตเห็นจิตคือมรรคผลของจิตเห็นจิตอย่างแก่แง่คือนิโรธ ตอนนี้เรานั่งไปนั่งมาเราเห็นนิมิตผู้ที่เจ้าลอยมาเราคิดว่าเราเห็นพพ้ทธเจ้าแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยอันนั้นเห็นของปองนะเห็นแจ่มแจ้งเลยคือไม่มีอะไรต้องเห็นไม่มีอะไรต้องรู้นั่นแะแจ่มแจ้ ง, จงเข้าสู่สุญญาตาว่างจากอัตตาไม่ใช่เรื่องเหลวไหลไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดา ขอให้ทุกคนตั้งมั่ น, นคืนชีวิตเราให้กับจิตบางเวลาแต่พอเข้าไปในจิตแล้วบางคนเห็นบอกเข้าไปแล้วมันมมันออกมาไม่ได้นะฮะเราก็ต้องฝืนฝึกวิธีออกจะเข้าก็ได้ออกก็ได้ไม่ปฏิเสธข้างนอกไม่ปฏิเสธข้างในแล้วก็จำไว้ว่าชีวิตเราต้องอยู่ข้างนอกมัวแต่ไปหลงอยู่ข้างในอยู่นะข้างนอกนี่ไปทำลายสมบูญหัาดคนอื่นเป็นกรรมใหม่นะ เราไปฝึกเข้าข้างในอ่ะจะได้เป็นเกิดปัญญาเพื่อจะมาใช้ข้างนอกเพื่อจะมาปลดปล่อยจิตปัจจุบันเนี่ยให้มันพ้นทุกข์ไม่ใช่ไปหลงจิตในอดีตแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธอดีตนะอดีตคือบทเรียนทําให้เราเห็นอนาคตบางท่านก็บอกว่าอย่าไปยุ่งกับอดีตอยู่ปัจจุบันก็ถูกแล้วการเจริญวิปัสสนาเราก็กําลังเจริญวิปัสสนาอยู่ปัจจุบันมันอยู่เจริญวิปัสสนาแต่วิปัสสนามันเข้าไปในจิตในจิตมันปฏิเสธไม่ได้มนต้องไปเสพธรรมในธรรม ธำเราทำอารมาล์นั้นเป็นเป็นสัญญาเดิมที่เราบันทึกไว้เป็นกรรมดีกรรมชั่วไอ้ตัวนั่นหละเป็นกล่องปัญญาเราเราไปรู้แจ้งด้วยจิตวิญญาเราเองไม่ไม่ใช่ผ่านการนึกคิดนะแต่อย่าไม่เป็นหลงอดีตก็นานาจิตตังเดี๋ยวเราจะกู้ปฏิบัติเข้าไปก็ไม่ติดนานาจิตตังทำทำให้เราเข้าออกเข้าออกนะ จังหวานี่ทำให้มันเข้าไปแล้วก็ออกมาเข้าไปออกมาเข้าไปออกมาเข้าไปออกมามันจะคุ้นเคยเลยทำให้เราเข้าออกได้เป็นปกติและต่อไปเราเข้าไปปึ๊บเราจะออกมาเมื่อไหร่ก็ได้ไอตัวนี้กลางคืนนี้เป็นตัวเสริมกำลังทำให้สติปัจจุบันเนี่ยเข้มข้นมีความไวสปีดต้องเร็วกว่ารูปนามถ้าโดยฝึกสมาธิกรรมฐานช้ า, ชา สิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเราไปเจอรูปนามมันร้อยกิโลเมตรชั่วโมงเนี่ยเราไม่ทันอันนี่คือไวยะทําไมต้องเร็วทําไมต้องแรงนะฝึกช้าๆอย่างนั้นได้ไหมได้ถ้าไปอยู่ในป่านะอย่างสายวัดป่าเขาเนี่ยเขาจเจริญอาณาปณะสติหลวงพ่อชาเนี่ยเขาก็บรรลุธรรมต้องไปอยู่ในป่านะต้องไม่ยุ่งกับข้างนอกเลยนะนะ ก็สะสมแต้มไปเรื่อยๆผู้เจ้าทุกขกอยากพึ่งเชื่อที่ทําตามตามกันมาท่านไม่ได้บอกว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีแต่สิ่งนั้นอ่ะมันไม่ทันยุคทันสมัยทันเหตุปัจจัยที่มันเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทุกวันนี้มันเร่งรีบมันเร่งร้อนมากๆเห็นไหมแม้กระทั่งเทคโนโลยีเนี่ยรุ่นเก่าเนี่ยมันช้าเอารุ่นใหม่รุ่นใหม่รุ่นใหม่ภาษาทุกอย่างทุกอย่างเราเร็วขึ้นไปหมดเลยเรายังจะไปใช้เทคนิคช้าๆเนี่ยมันไม่ทัน ผู้ชายต้องบกอย่าพึ่งเชื่อที่ทำตามตามกันมาอย่าพึ่งเชื่อครูบาจารย์ครูบาจารย์ท่านเป่งออกมาท่านไม่ได้โกหกเราท่านก็เอประสบการณ์ของท่านบอกเราตรงๆเนี่ยนะแต่ถ้าท่านไม่ทะลุป้องท่านก็ติดบ่วงที่ท่านเคยชินท่านไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของโลกท่านไม่รู้เท่าทันเหตุปัจจัยนะเราก็ไปทําตามที่ท่านบอกมาเนี่ยเราก็วิ่งไม่ทันอันนี้คือไวยะ หลักการมนสูตรนี่ยิ่งใหญ่มากเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆเลยไม่มีศาสนาไหนกล้าพูดอย่างนี้แต่เราเข้าใจไหมไ ม, ไม่เพราะฉันยึดมั่นถือมั่นและฉันไม่ฟังนะฉันเคยชินแบบนี้เห็นหตอนนี้เหมือนกันเรายึดมั่นถือมั่นในความคิดเราเราไม่ฟังคนอื่นเรามีแต่ว่าเราถูกเขาผิดก็ทะเลาะกันแบบนี้นะก่อนจะหยุดก็แถมนิดนึง เร็วๆนี้เนี่ยมีมีรัฐบุรุษของโลกนะอดีตประธานาธิบดีเนลสันเมดด า, าเนี่ยเพิ่งเสียชีวิตผู้บริหารโลกเนี่ยไปหมดท่านถูกเขาแกล้งถูกคนผิวขาวเนี่ยจับติดคุกติตลางสามสิบเจ็ดปีท่านไปเห็นธรรมในนั้นเพราะกูติดตามข่าวก็รู้เลยว่าอาจิต ด, ดวงนี้ ดวงตาเห็นดำพอออกมาเขามีอำนาจเขาเป็นมาธิบุดีเขาไม่แก้แค้นเขาดึงศัตรูนี่มาร่วงกันพัฒนาเขาพูดคำหนึ่งว่าความเครียดแค้นกันมันไม่ได้เกิดขึ้นจากตอนที่เราเกิดขึ้นมามันเกิดมาจากเราพัฒนาขึ้นมาเองเรื่อยๆาศาสนาพูดเราพูดชัดเจนเลย การแก้การแก้ไขเรื่องแก้แค้นพวกนี้เนี่ยต้องมีเมตตาทำต้องอภัยทานเริ่มจากอภัยทานแล้วก็ทําให้อารมณ์แค้นมันอ่อนไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายต้องล้างมันทิ้งเหวี่ยงมันทิ้งไม่งั้นหลอกแบกแบบมันข้ามภพข้ามชาติเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรไม่มีทางเลือกอื่นทุกคนรู้ผู้บริหารโลกก็รู้ยกตัวอย่างเนวสันเมลล่ายิ่งใหญ่มากแต่ว่าทําไม่ได้มันเข้าใจมันไม่เข้าจิต สมองรู้แต่จิตไม่รู้วิธีแก้ไขคนขัดแย้งนี่ง่ายมากที่ติมานะจิตยพยาบาทมันไม่ยอมไงและอีกเคสหนึ่งอันนี้ไม่ใช่รัฐบรุษโลกหรอกเป็นรัฐบุรุษของชาวอิสราเอลผู้นำพ่ยิ่งใหญ่เขาก็เสียชีวิตเขาโศกเศร้ากันทั้งประเทศปาเลสไตน์เฉลิมฉลองกันเรื่องเดียวกัน มันพิสูจน์อะไรใช่มเขาเขาดียกตัวอย่างว่ากฎหมายบอกว่าไอ้โจร น, นี่ไม่ดีเราจับมันได้ตาหน้าเป็นคนไม่ดีติดคุกแล้วไปถามลูกเมียเขาถามลูกน้องเ็าว่าเขาดีไหมเขาดีสิเขาเสียสละชีวิตเขาเป็นคนโจนเพื่อเพื่อเลี้ยงพวกเขาเราเราอะไรมาวัาดว่าดีหรือไม่ดีใช่ไหมไอ้เรื่องนี้ระวังนะ บางทีเราเอาความนึกคิดเราเนี่ยเป็นที่ตั้งแล้วเราจะไปกล่าวโทษคนอื่นเนี่ยพวกครูเคยยกตัวอย่างบ่อยๆแต่หลายคนเข้าไม่ถึงคือศรัทธาอยู่แต่ศรัทธาตามปัญญาที่มีอยู่มันไม่ทะลุป้องหลายคนเห็นพวกครูในผักเด็กคนหนึ่งล้มลงไปเห็นไมมันก็ร้องไห้ตำรวจมาชี้ทุกคนมานี่คนนี้ผักไอ้เด็กคนนั้นลุกขึ้นมาก็ชี้ว่าคนนี้ผักจับพวกครูไปขังคุกถามว่าทุกไหม ไม่ได้ทุกเราทําความดีอย่าไปทุกข์ทำไมงูมันจะกัดเด็กคนนั้นไม่มีใครเห็นไงเพราะกูช่วยชีวิตเขาไงทัอวบางครั้งอย่าเชื่อสายตาตัวเองมากเรามองอะไรตากกิเลสเราตักความเปยชินเราถ้าไปสร้างกรรมตักจิตบริสุทธิ์นะ่ะเหมือนเราโยนบุญแมลงเนี่ยขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยนะถ้ามันไม่ชนอะไรมันจะกลับมาสูงตัวเราคนทุกวันนี้เป็นแบบนี้ เราเชื่อมั่นในความคิดตัวเองยึดมั่นถือมั่นมาถึงขัดแย้งกันทั้งบ้านทั้งเมืองก็เอาเป็นว่าเราขึ้นชื่อว่าผู้มีโอกาสได้มารับรู้ความจริงไม่มากก็น้อยเอาสิ่งนี้ไปพิจารณาไม่งั้นชีวิตเราเนี่ยจะเผลอสร้างกรรมบ่อยๆกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ทานศีลภาวนาแน่นอนการเจริญภาวนาวิปัสนาบารมีเยอะที่สุดแต่คําว่าทานเนี่ยผู้เจ้าก็บอกเราว่าการทําทานมีสามวิธีก็คือวัตถุทานธรรมทานอภัยทานวัตถุทานเรากว่าจะเรียนจบเนาะเสียเงินเสียทองเสียเวลาชีวิตเป็นเลือกเรียนเอาวิชาจบแล้วเอาวิชามาทำมาหากินเวลาทํางานก็เหนื่อยได้เงินมายังแบ่งส่วนหนึ่งไปทําบุญช่วยเด็กยากจนช่วยสร้างวัดสร้างว่า อันนี้เขาเรียกว่าวัตถุฐานได้อา น, นิสงส์ซัได้อา น, นิสงส์ี่ิบเปอซ็นทเป็นเอร์เซ็นก็ยังสู้ให้ธรรมทานไม่ได้พวกะรูกาลังให้ธรรมทานพวกเราพูดทีเดียวได้เยอะมากถ้าต่อสายนี่ไปทั่วโลกนะคนเป็นหลายๆ1ายสิบล้านฟังด้วยกั น, นไม่ต้องทั้งหมดมีแค่ 1% เปอร์ซปิ้งก็ช่างเนี่ยได้อา น, นิสงส์มากในแง่ว่าผลที่มันได้เนี่ย กับคนหมู่มากมันกว้างเนี่ยเขาเรียกว่าการให้ทำเป็นทานเนี่ยยิ่งกว่าการให้ทั้งปวงอันนี้ในแง่ว่าผลที่มันเกิดขึ้นในวงกว้างมันได้มากกว่าแต่อั น, นิสงส์มันยังน้อยกว่าการให้อภัยทานแค่ครั้งเดียวแค่คนเดียวอันนี้พูดถึงคนให้เราให้วัตถุทานเราได้ 20% เอร์ เราให้ธรรมทานเราได้สามสิบเอร์ซนสมุติแต่เราให้อภัยทานเนี่ยเราได้ห้าสิบดัวเราเองคนให้เนี่ยได้เพราะว่าเราได้เอาภูเขาออกจากอกเราไม่ต้องแบกข้ามภพข้ามชาติไม่ต้องแบกตัวพยาบาทไปด้วยนี่แหละอภัยทานเนี่ยง่ายที่สุดแต่ยุคนี้ยากที่สุดง่ายคืออะไร วัตถุทานยังต้องเสียสตังเสียวัตถุธรรมทานยังต้องนั่งเสียเวลาเสียพลังงานพูดแล้วก็เสียอะไรรู้ไหมทุกวันนี้ความรู้ที่เราค้นคว้าวิจัยมาปุ๊บนักวิทยาศาสตร์นั่นแหละคนพุ๊บอุย้ยสำเร็จแล้วกล้าให้ไหมไม่ลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์การให้ธรรมทานเราไม่ขี้เหนียวความรู้ไง เราต้องเสียเวลาเสียคำพูดเสียความรู้ที่เรามันประมาณค่าเป็นเงินไม่ได้เราให้เขาโดยไม่ต้องหวังอะไรเลยเนี่ยเราก็ได้ได้มากกว่าวัตถุทานแล้วก็อา น, นิสง์ที่มันขยายวงกว้างได้มากกว่าแต่มันยังสู้อภัยทานแค่ครั้งเดียวไม่ได้อภัยทานแค่ในก อ, อ, อในกอได้คนเดียวแต่ คนที่ให้เนี่ยได้อา น, นิสง์มากเพราะแล้วมันง่ายทำไมง่ายก็ไม่ต้องอ้าปากไม่ต้องเสียงเงินสักบาทหนึ่งนี่ง่ายที่สุดแต่มันกลายเป็นเรื่องยากโศกเกลียดเราไม่ยอมทิฏฐิมานะถึงทะเลาะ ก, กันทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกเราอายเขาเรามีศาสนาที่ยิ่งใหญ่มากและพระองค์เน้นเรื่องนี้มากเลย แต่เราไม่เอามาใช้กันสร้างความเกลียดชังบาดหมางพยาบาทอันนี้น่ากลัวมากนะจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่แก้ง่ายๆนะไม่ต้องเสียสต่งไม่ต้องเสียพลังงานเห็นไมเอาภูเขาออกจากอกไม่ต้องไปนั่งฝันนะไปคิดถึงไอ้คู่แคนนะแคนนี้ต้องชำระสิบปียังไม่สาย มันผ่านไปเก้าปีสิบเดเดือน2ี่สิบเก้าวันเอีกวันหนึ่งจะหมดเวลาแล้วคิดถึงมันอีกนี่ต่อวีซ่าไปอีกสิบปีตายเราไม่จบข้ามภพข้ามชาติเราเจอสิ่งคำ ส, สอนดีๆย่งน้นเนี่ยพุทธวจะนะเนี่ยรู้ทั้งหมดไงรู้แล้วรู้แล้วทำไมไม่ทำล่ะเรารู้เฉยแต่เรายังไม่เคยเข้าถึงธรรมะวิจยะสัมโพชงถ้าเราเข้าถึงแล้วเนี่ย เราไม่ทะเลาะกับใครหรอกโอเคนะเพราะกูตัดดีกว่าหยุดดีกว่าเดี๋ยวมันจะไม่ได้หยุดบองกี้บอกข อ, อนิดนึงก็ใช้เวลาปฏิบัติกันดีกว่านะนั่นแหละอารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็เวียงทิ้งก็สุดท้ายนี้ขอรัตนาคุณพระศีรัตนาไตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในส า, นากลจักรวาลพร้อมทั้งบุญบา ร, รมีที่ได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติมาได้คุ้มครองให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขัญยืน บรรลุมรผลนิพพานโดยไวยเทิน